ถาใส่ยาโน้มาาาว่าไม่ลงอื่นอีกนเนอครับอื่นเศราับอื่นปูซิมาแบบเพียแฟมด้วยการมันคือก็เะได้มวาเหมือนมันมันอินไม่จิไปพิ่มไปกันบุญการวัดลุงปูสมพันธเนี่ยปูซิมากันเยจังมากไม่สองคำถึงเมื่อวานวัว ไปดิม่ได้ผมก็เลบบจุมากข้างกินเลยใส่ลงไปก็จะได้กลับไปดูมันอันนี้อีกเอาคุ้มกูนาจะมูลหนึ่งถุงคือจุมากเลยไมน หนังสืออะไรหลวงปู่หย่ป้าปูงครับหนังสือมีสอนเปนหนังสือของหลวงปู่หย่ดตาปูงครับขับขากามีสีทลายโครงไม้กับเฮ็ดแต้โดนแล้วล่ะครับพครงม้บ็ได้ฟอกครับโครงไม้ได้เปลี่ยนโอกาสขับแต่เรื่องอะที่โครงไม้เคยบ่อยฟังว่าที่ไปวัดเปนาดสมัยได้เกี่ยว ขอไล่ถ้าคนเียกไปจ้แมู่จันยินเอครับโ้โหวัดเท่าเตาหาตาผู้บาอาจารย์ไปเีกว่าทุจรงิน้งน้ครับเกวู่้หูจักภาษาูอาจารย์เรียาผูู้จักภาษาหู้จักผู้บาอาจารย์้ยวัดเทาหูจักผู้บาอาจารย์เราจักคนใว่าอยู่เมันเนี่ยายาตาาจมเพ่อาลงกูสีบสถ์สอน่บได้ก็่ปสอนอยู่ยบ่อไม่เมือนไ่เหมเียวมันือเลย ครับอะไรากทีูนจาร่าทึ่บัดเน้อรลเยครับนอบัดเนอบเนือัดเน้อบัดเรอัดเนอบัดเนพ้ัดเนื้อัดเ้ัดเนัดเนืาอบัดเอบัน้อบัดน้าบ้องัดเน้อบัดันืัดเ้อัเนื้ันื้อบอบัดเนื้อั้อนเ้เอเอน้เั วุยคนอะไรกบัเ<ส>ป <kidnapped zu sind> ็นก็จะเอาไว้วในการนไปเี่ยวเยมาแ่น่จาคหโอ้ยเอาไปดอัน วกินทุกพังเลยหรือย่างเลยก็ไปที่ไหนบางบม่ได้ทำาหาเมสซี้ซี้ทุกทุกคนนิมนต์มาไม่เขาจะอะรนีอะไรรือเปล่าไปนิมนต์มาเช้าตเจรวไมเวรนี่ไปไปกัน อินเดียเงินาวนะครับว้านกนะครับองกนบวบวมเนดไอู้เงนเนี่ยบบบ้านวัดน้องแครดงบับวานไปไปเมืมาสองปีเลยเมื่อมาเห็ดภาษาติ้วเขาถึงหมดเงินหมดวัด สองเต๋่องเอหที่อร่จก่้ลุงวบ้านกี้น่าไรนี่โ้ยันเดือายคร่างรยนีโอ้ยไม่้เทาไรเนยาพเขาเลยโอ้ยจาู้นดอย่นีกเาโบพักไรักษาไบกระไร เขาว่าเขาว่กูว่ากันจริตมานุ่มเป็นตัวเวกันจะไปจับอะไรนุมมีนเอะไรนุ่มมีความบริสุทธิ์ที่เขวะทองน้ำมันเหม็นขึ้นมาหรือดิเพราหงเจ้าว่าฐานเหม็นไ่หาตัวมันไปพ่อท่านแลกกรรมลูกพูดหึถึงแม้แล้วมันเหม็นคือมาคันเหม็นคันเหม็น แต่เหม็นกิน ข, ข้าวแม็นรดไม่ให้พิดขัววัดรดคุณไร้ห้าส้วมรดบันนี่ไปเห็นยังรดย่างมันฉันเร็วเอากระตุ่มขนมใส่ยำไปสันนีุ่๊ตีุ๊บตีกันอยู่เไรได้เหม็นขึ้นมารถมึงชาบ้านบุคคงเนื้อเพราะว่าขอางผู้บริจาคจรสิง์เพิ่นทีเขาไปวัดอัดกรุงเทพ ชงท่านหมุนที่น้ำผึ้งก่อนก้อนไปพึ่งซั่งสองหมื่สามมซั่งในรักษาขวัวัดไอ้ไอบินสบายเป็นวัดมาสันคนเดียวเป็นวัดมาสันไม่บาทเป็นวัดเ็นน้ำอยู่เมื่อไหร่คำว่าคำว่ารักษามื่ไปบรชเพื่อสิ่งเป็นวัดอยู่ว่เายองเนพักการรักษาเนี่ยอยู่วาจะถิ่มขวบขวบกู้ว่าจะมที่เบิ่ด้กกกันรักษาช่วยกัน ลุงภ <àn> ูมันเพิ่นตามลุงูเขพ้องเพลาะพรองบินธบาดพ่อเพิ่นอ่านเขาอ่านเขาอไปรบัตถอยออกไปถอยออกไปถอยออกไปถอยจนขุนเอาไปมากจนบินยในบัตออกบัตรับชุดไทยกับบินยึดหัวปันใดคล่คุณเด็กรักษาคอทุเพิ่นบปิดถิ่มยังไงอันนี้รู้ บวชขม่าท่าทาโอปัสซาธรรมมันแต่เอา้องข้อเม็นบวท่านอิดบวชบวชไปยุคกับไปยุบานยุคนี้ก่เจตุรียิ้มเฉยที่ทั้งบุญเนี่ยมาประสุ่มกายนะสักคนละนเร็วๆไนมูจขั้นระดัประชุ่มจบขันาจังาวาดจบขันาะดเพ่อ มาแล้วไปแวะให้เช่นใบทุติให้มาเข้าไปเจ้าคณะเจ้าคณะจังหวัดถึงที่นู่เองซีหาลูกตั้กแนมาันมาเจ่งเกลี่มาผมจะเรียกว่าคนมาอะไรจะดีมดเปิ้หลายปีเลยพักตัองจับสองสาึ้ีมันก็ต้องไป้ว่นึองค่ณตอบมาว่า อยู่ว่อะไรกันเป็นยังสิบว่าดี๋ยบาทไม่ทำสิบหัวบาทไปใช้สิบไม่สบเขามาเอาไปทิ้มใส่บาทไปสิบมันไปเจอมหาชลราคาหนึ่เมื่อเอียนอยู่บ้างบ้างบ้างมันขาเภ้ษาหรือว่าบ่นช่ข่าวภาษาบ่ไหม่ม่ใชเก่าวบ่พี่พาลูกนึงไปไปทำยุ่ม ไปล้ผมสั่นแล้วไปนั่งอยู่บนบนรับเทียแล้วผมมากับนอนีทำแบบฉนเลยบวบบัยางไปทั้สันใชะบาดเลยแ่ไปแมะน้มาผมรู้ต้องสั่นแล้วแข็บวบดมานนำมาสทศรามานจะห่อยไปบาดบาดโปโพก็พ่ายมากกว่ไรไปมันเป็นอย่างนมันเตรมเตรียมคอวัดคอว่าคู้คูบาอย่างนี้ ว่แมนไม่ยอมไม่ใส่พอดีเป็ไม่ชื่อื่อนี่ลามาแล้วทำมาบ่มีาบ่ต้องสันราคู่าวอะไรแบบนบาดไปเซวอร์อะไเอาเอาเด้อเอารู้เด้อมามบ่มีแน่ใส่ลพวกพระเจ้าพรนายเพื่นมาบาดเหมอที่นเนี่ยเอาเบุกมาบ่บาดมาบ่ต้องสัน อ๋อมัพูดมีขู่ว่ะเนี่มเมนโม่ใบก็ไม่ไดม่ไดยานเที่ยวขัวขัวยังห้องเพื่มทําเพื่อไม่ไน้เพื่อมือเพื่อพวกเพื่อลูกเพื่อล้านพวกของจังสี่มนแน่เอาไงจำว่าบางบ้านไปพ่อล่งรถไปเจ้าไปไปในงานไปงานบ้านนี่ก็ ไปพักไปพักที่วัดไปพักที่ทั้งนอกเนี่ยแต่พ่อลุงเราไปแบบนี่ม้วนนี่ม้วน ย, ย่างาาเ ข, งขา้าไปม้นเงินม้นเงินมันเพิ่รับแขกนะเราไปล้วไปเอาพวกนุ่มไปตั้งโกวมากมากพุก่อย่างนี้ตัวหนาเนี่ ป, ปม้นที่หลงังบุไปใช่บุไปดิ มั่งเรื่องกันเทก่ยบมาเพื่อนเนี่ยการเที่ยวในถึูลปู่มหาบญมีเมนูเพืเห็นอยู่่ต้องรักษาเดียวสืบห้อยตาสืบห้อยตาว่าห้อยปูรักษาคอวัดไปคํารี่กว่าขอวัดกับอบุญเนี่พวกเนียนนมึงเจ้าเพืกันละรักษาขอวัดท่านวัด ศีลวัดภาวน า, าวัด <c oughs> แล้ว <c oughs> ก, <c oughs> ก็การการพัฒษาสามเดือน <c oughs> ย่างหน่อยเน่ว่าแปลว่าค น, คนพวกที่ เ, เคยรักษาชิ้นหาแกแล้วนับตั้งแต่อายุสี่สิบนไปเขาถือว่าเป็นคนแก่รักษ า, า, กะ า, าอะไมันได้สาว้าาวก ย้อนไท่านเด็กใ้รักษาให้รักษาไปสิเขาจะไปหาหน้าชุ่มเขไปคารวะรักษาไม่ได้สเดือนเนี่เท่านผู้ธด์ตายสร้างมากไปสิไปเผาวะให้ไปรักษาสินหาสเดือนเขาไม่ตายไปสิแล้วผู้บกเคยผู้ผู้เคยรักษาสินหามากประจำาับาลกแล้วก็แนะนํำให้รักษาสินอบุษสินแปดสามเดือน12บสองมือไป ทิศสองทิศสอนแม่นบอกแล้วผูดได้ตายสั่งมาได้สิไปโพสเห <c oughs> ็นหรอกมันบวชบวชมือ น, นึงขึ้นหนึ่งได้อ้าพมิจฉายาเวลามารีสิตาประทังสมมาตรที่ญานี่เอากายเอากายภาคออกจากรรมที่นี่บนกุขี่นิกรรมตั้งคนตั้งเนี่ย เพื่อนหลว่เพื่อนให้บวชบวชมือหนึ่งขึ้นหนึ่งสุดโตพุ่มจริยาเป็นศิลของพมพมมจันจัญญามะรยาแลวก็มดก็จําเป็นนึงแจ่ขออาอวิกาพแล้วขันเสวาสิหิวหลถึงว่าอยากจะสมามัสหิวลใกล้กล้ที่ ใกที่เที่ยงกันที่เพล่นกัมากินอีกซะเนี่ยวิการพวอเท่านั้นแล้วก็นอกตัววิการะพวอเจ้อ น, นั้นม่นสีรักษาอยากอยู่รักษาอย่างที่เกี่ยวขับนำจะมาเป็นมี่ปากกองฝ่าหยางเจ้าก อ, ากอ น, อกอ น, นแล้วก็ใส่น้ำตักน้อาจารน้ม่ใส่ตุ่มใส่องไมเวลาทีนักกเอาทํามากกไปกอง สมนี้มันบม่ได้กวงยากน้ำเขากันเขาแห้งอย่างที่วขวดแมน่นี่มันไงเขาตัดตีนสีนมือหมดหมดหมดหม ด, ด, ดสีบรนบริสุทิ์หทั้งบกระโหลกแม่เป็นไปนแต่ที่เขาปลาแต่ว่าปลามันก็บม่มีปลาสิเขาวเลยเดียวนี่มันเบิดปลาเขาขเขาทํำไรกับปลามันจะปลามันปล า, าอ่อยเขามีกระลาโพฝนบริสุทธิ์สันของเกี่ยวของสัน ที่ซึ่งเป็นอาหารตั้งแต่เส่าประหาเที่ยงมันเบิดอายุเลื่นหายไปคนถือว่ามันผิดอ า, อาชิ้นข อ, อวิกาลาโพยอดแล้วก็นัตตะขี้กัมาล่าเพิ่นบวกซิกันนัตตะขี้หมายถึงเพิ่นบกหกไปดูพวนล่ำรับร้องเครื่องประคมดนตรีต่งางๆ ม, มันจะเป็นไพ่ท่า้พรมอาจารย์เสามอง จะมาล่ากับพวกคนบวชแปแปลงแต่งตัวบวให้นุงน่งห่มเพื่อสวยเพื่องามกันพูดได้มีนุงห่มเพื่อสวยเพื่องามมีเจตนนาเพราะว่ามนพิชซินโคนี่พิชซินโต ต, ต, ตัวมาล่าก็วสวยเพื่องามแล้วที่ก็อุจจารชนนะมหาัญนาคบอให้นอนทีนอนทีสูง อ, อันชุ่มอันใยไา่ในยัดด้วยนูนและสำลีที่มันนิ่มนวล เพื่อนเพ่นหามเพื่นกลัวไม่ติติดเลยล่ะนัตสกี้พวกนแปลก่ถือใชไหมพวกพนพักกับแปแต่วันว่าให้ไปวี่ควันย้อนไม่หม่นบ่าถือดียนัตสกี้่ให้ไปดูควันล่ำนะครับลองเครื่องประ้มดนตรีต่างๆใชไหแล้วบานนี้บ่ไหวไปเอาเอาจรมาเปิดเบิงองของเม็นบ่ นี่มือก็ผพิดขึ้นกันละ่ะมือแนวตรงเบ้เนี่ยหาดูท่อรทัตสินขบบโบริสูขึ้นกันละ่ะสินตรนนัดจะที่น่นใหรักษาเปลวประบวดไปฝึกไปอบรมทำเป็นนิสัยนีว่าได้ยินจากอาจารย์คำวุฒิเพศญสมัยนั้นพูดว่ารักษาสินุบสดมือหนึ่งคือนหนึ่งเทียบท่อกับสมบัติของแปดปพระนคร มันก็ือคือสีหล่ๆที บ, นนนบนันเนี่ยแปดมัดคนกืบจิบแปดเมืองด้วยเมนหมเน้องน้อพวกเรเอาลักษาวอาได้ยังได้รักษาศิล้ัก็ศิลนาบันสันหาศิลนากระพกเอาควรจะรักม็มกันมอก่ายางตุปนัดที่บาด ถ้าพระไดรักษาได้ก็มีอา น, นิสง์จะเกิดมาในใศาสด้พวกมีอายุยืนอย่างพระภากุลาเพลินได้ปฏิบัติรักษาศินมานจาึงได้อะค้างศาสนาพระพุทธเจ้าสือคัตสปะไปเกิดมาในศาสนาพระพุทธเจ้าห้องเนี่อายุเพลินแปดสิบปีเพิ่งจะได้ออกบวชบวชมาแล้วก็ ได้แปดสิาพันสาพอจังมาลานาผับ์จนเดตเขาชูพระาลินีพานยายาเมล็ดหนึ่งกับบริบริสันพกเคยเก็บท้องปวดหัวเพีงาบวมีบัมีจากยางอันนี้ทรงก็เรักษาฉิมมาพวกเข้าเจ็ป่วยเป็นอันนั้นเป็นอดออดแดดแดดก่ำทั้งนั้นแหละก่ำเบียดเบียนสั์เบียดเบียนบุคคอนจำไรทาบริบริเบียดเบียนไอตว์ปัจจุบันนี้อดีตตร์ที่ผ่านมา ศสรองกอนสงศาสตร์สามสาสร์ที่ผ่านมาไปเบียดเบียนสจะตัวขาสตรจตัวบเบียนคนจะคนไปทถ้ามห้เขาเดือดร้อนวุ <c oughs> ่นวายเขาจำไม่ได้ื้อแต่จาได้เนี่ยมัสยิดลาบอยู่นี้ม่ไบอกเลาบ่ที่นี่ถ <c oughs> ้ำที่พระพุทธเจ้ามาสอนผูกเข้าเปนสอนมักปฏิปทาสอนพระ มันญ่ว่าคีย์ทั้งหานมัคทั้งแปดสมาทิฏฐิสมาสังขปโสรสมารวจ่าสมากัมมตโตสมาชิโชสมารวยโมโหสมารสติสมาสมาธิมัคคือหนวทางเขาไปดับทุกดับบนไหดับบนทุกมันเกิดทุกมันเกิดใสไปดับบนหันสมาทิฏฐิปัญญาเห็นฐอบเห็นหยังบนนี้เห็นอริยสัจธรรมทั้งสี อริยสัจธรรมมรสีนี่นี่พระพุทธเจ้าพ้นเถีนและพระอริเจ้าพ้นเถีนพระอริเจ้านับตั้งต้นปฏิทพระโซดาพระสกิทาฆ่าพระอนาคาและพระอรหัน์แล้วก็จิตดวงเดียวแหละอันเดียวนี่ล่ะมื่ละเอียดเข้าไปเพิ่นเปลี่ยนชื่อไปเื่อเปลี่ยนไปเป็นพระโซดาพระสกิท่าฆ่าพระอนาคาและพระอรหันชุดไทยแล้วก็พระพุทธเจ้าพระเสริกพระพุทธเจ้า เพิ่นเห็นท้ำสามสี่ย่างนี่แหละถึงจิตถึงใจย่างหน่อยลุงปูวาประมาณจาก็กหมืนเปอร์เซ็นเห็นอริยสัจธรรมทั้งสีนี่คืออย่างแบอคือถูกถูกหนึ่งส ม, มุทัยเห็นใ้ทุกเกิดอีนึงเมื่อยิดใจมันคพานทุ ก็ผ่านเหตุเข้าไปจิตสงบเข้าไปเนี่ยพจนไฮซีว่านีโ่โลดคือความรับทุกข์เมือม่อเมื่อทุกข์ก็เหตุดูเวทนาทุกข์ก็เหตุสงบลงไปเดี๋ยวนี่แหละพจนไฮซีว่านีโ่โลดคือความรับทุกข์ไม้ควมมาจิตจิตจิตใจเข้าจิตเข้าไปเห็นจิตทั้งตัว โดยธรรมชาติของจิตมันจะว่างเรื่องนี้ที่มันมาว่างบางัญจิตมันมายิดเอาของภายนอกนี่ของภายนอกนี่เป็นต้นบนัญเข้ามาของภายนอกของภายนอกที่ใส่บัญของภายนอกกับร่างกายนี่ตน้ตนตัวข้อนอกไปจะใส่ที่นอกก็จะชิดใส่เ น, นี่ยนี่มันไม่มันไ ม, ม่ ต, ต้นนี่เพราะฉะนั้นประโยคแรกพระพุทธเจ้ามาสอนพวกข้อนี่ขึ้นต้ น, ตน พี่ตั้งตางตึขึน้นต้นขึ้นนโมนี่ก่อนนานาโมตัปสะปะกวโาตโตระหะโตสัมมาสัมพุท ธ, ธนะนานี่คือพระมันดาของพระพุทธเจ้าโม่นี่คือพระบิดาของพระพุทธเจ้าเอากับมีเา้าก็มีม่มัณดาบิดาขึ้นกับพระพุทธเจ้าจะมาสรุปแล้วไผก็ตามบัญโมเรียกเพศพูดเพศหญิงเพศชายาเรียกน่น ผ้านี่มันผ้านี่มัอยู่นน้ำหัวลนก็ผ้าเหลืองเด้ผมเงียวเงผมดำดำผ้าดำดำแดงแดงผ้าขาวฟ้าดํ า, า, า, าดบนิเกียวพอให้คิดใจเนยมันเห็นเห็นถ้ำคือถูกหน่อยเดียวนี่มันมันโบเห็นเนี่ยเป็ี่ยนไมันช่งบเห็นเจีกิเลสมันโบให้เบ่งกิเลสมันกิเลสปิดมันบังไว้มันยังละปิดบ้านี่ถ้าเป็นมนุษย์เท่ากับผ้านี่ พาดีกับปิดทุกกับปิดรรมอาหารการบริโภคปิดทุกกับปิดรรมที่อยู่อาศัยปิดทุกกับปิดร้ำยาบำบัดโรคปิดทุกกับปิดรรมนั่นมันก็เลยโบเหน็นเลยเล่ยโบเห็นของจริงของจริงคือทุกและก็เหตุที่ทุกเกิดจะถามว่าเหตุที่ทุกเกิดตัวสมุทัยอยู่ไห น, ในบัดทั้งก้อนนี่นี่แหละกล้อนสมุทยัยลึกเข้าไปกับจิตใจแล้วเป็นตัวสมุทัยแท้บัน เพราะตใจว่ า, ายึดเหตุยึดเหตุทุกเกิ ด, ย, ดยึดปัจจัยหให้ทุกเกิดนี่สารุ้แล้วการพระดัชนพระพุทธเจ้ามัตรสอนใหพวกเราเนี่ยหาทางังเน้สร้างสติสั่งผญากขึ้นมาหาทางถิ่มกายแต่เมืนอยัางอลยนี่กายมือมีเวทนามันชมา จ, จากดสสุภุ่มีเลยสัญญากรร่มมีสังขารก็ร่มมีวิญญาณกรรมมืมีมมียังโวยธรรมศาสตของจีนมันจะว่าง บัดดาพญไหมะปฏิบัติธรรมจิตใ้มันบ้างธ ท, ที่จิตใจมันเป็นหนึ่งนี่นี่สุดท้ายกรลับพระพุทธเจ้าเข้าสู่ประประิา่าระประิาพานไปแล้วกะท้ำของจริงก็ไม่มาตกอยู่ในพวกเขาดีอย่างมีทุลุศ า, ม, ามิทุลปรางกายมีทุกคนที่บอกอพวกเขาเด็พกพากกับปารธนาอ้อนข้ระเจ้าถึงซึ่งพระนิพพาน ในอนาคตการเมืองหน้านนเทินี่คำคำที่บาปนิพลานก็คือนีพิทาวมเบื่อยไปเข้าใจไม่เลือเถิดเลยเถิดเลยเถิดไปไกลได้ได้จิตใจน่ะเบื่อเบื่ออย่างวะนี่เบื่อเบื่อตนเดียงเลเบื่อจิตใจตนเดียงเลว่ามันหลงเดียนหลงอย่างนั้นมันหลงเจ้าของหลงตนเมื่อเราเห็นตนมันก็เลยมาเย็ดเอาร่างกายที่เป็นตนก็ไม่รร่างกายกถามเขารองมงรู้ี่ถามแขนมึงก็แขนแขนแขนม็ไปแขนไผ่เีย มันก็่อม้จะหายค่อมต่อปอยับรับตาลุงนีเส้เหลี่ยมมึอป่าคอยพักรับตาลุงเมื่อใดมันทรงทรงคิดมาผีมันชิบเห็นใหรือรือหรหอเบาบที่ซื่อบมิเทศก่อนกหนดลงไปกำหนดบางกิดจะของกันเนี่ยกำหนดกาหนดกับปหาผู้ลู้อจาท้าวพเห็นสิทรงมาผี สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปสัมมาวจ่าสัมมากรมมตัวสัมมาอิชิวสัมมาวิโมสัมมาสติสมาสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบนี่เห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่เห็นทุกข์หนึ่งเห็นสมมุทิใเห็นทุกข์เกิดนี้หนึ่งนั่ะแล้วก็เห็นนี้โลดคือความดับทุกข์นี่จิตสงบก็ไปเมตนาสงบก็ไปเมื่อไปก็ตามท่า คิดมันสงบ ก, กับไปถึงจุดตรงที่มันว่างๆที่พระไชยซื่อให้น้าว่าอัปปนาสมาธินละมันจะมีความรู้สึกภายในจิตใจว่าร่างกายกับจิตใจมันจะแยกกันท่านที่ไม่มีภัยบอกมันจะรู้เองเห็นเองปัจจตต์ตัวส ก, กายะทีกับไม่เห็นตนหนึ่งเข้ามาตนในที่นี่มาทถึงจิตใจไม่เห็นตนเป็นกาย ไม่เห็นกายเป็นตนไม่เห็นตนมีในกายไม่เห็นการมีนตนนี่เนี่ยตัวสกากยิหนึ่งบกบอร์ยึเชื่อมันตนขือตนขึ้อย่างา ก, ก็บบสดส่งใส่เนี่ยตัวสกายยติวิจิตรากับบดสงใส่บัณฑ์ศีลพัตตบาลศีลพัตตปารมาตินี่อย่างขึ้นนี่ก็บบสงใส่จริงขึ้อย่างไ ถ้ารู้กัสินก็คือนดวงชิดดวงใจบ้านี้นั่นเพราะท่านพระพุทธจะาให้รักษาสินรักษาให้เป็นอย่างรักษาให้เป็นสินรักษาจิตใจให้เป็นปกติเนี่ยนั่นแหละสินกับธรรมมาเดียวกันอันนี้พี่ถ้าคขมเบือภัยเป็นผู้เบือก็จิตใจนี่ที่เบือเมื่อเบือในมันก็ไข้ควบกำนัดินดีจากรูปร่างร่างกายตนเองไข้ควบกุำลันดีเมื่อมาไข้ควบควบกำนัดินดีที่นี่ก็จิตเสใจมันก็พนเนี่ย พนไปจก็นไปจังลูกอยากเบสนาสัญญาสังขารของเก่านี Eine ่อยู่ที่เดียวเก่านี่เดียนนี่ช่ไหมบาตนาทรงไปทังอนาคตอนาคตอนาคตพระสิมาอภิเสกไค้พระสิมาทําให้พระสิมาปฏิบัติเฮาพระสิหัวเฮาพระเให้จเฮาเจ็บปวดพระสิปวดแทนเฮาห่อนพระสิหอนแทนเฮาเนี่ยหนาวเขาลืเดียนี่พระสิมาเดียนแทนเฮาเฮาสนศิวิหูเสียนในปัจจุบันนี่ ว่าานพนให้มันเกิดขึ้นว่าปัจจุบันพจนแก่ในปัจจุบันไม่หูในปัจจุบันเห็นในปัจจุบันเนี่ว่านั่นนะนาโมตัศนาคือแม่โม่คือพ่อทัสนาพระควาภพระควาตัอันว่าพระผู้มีพระเจ้าอรหาโตท่านเป็นพระอรหันต์สัมมามันัสจรู้สอบแล้วสัมพูทัศาทัศสาทัศนาคนทัศนาไปว่าความเห็นน่ทัศนาเป็เห็นสอบแล้วเห็นอย่างบเห็นริยสัทธาีเห็นถูก เห็นเหตุเลยทุกเกิดเห็นอิรดคือความรับทุกเห็นมรกคือขอปฏิบัติให้ทั้งควมรับทุกมรขึ้นยังบันนี่มรกขึ้นสินสมาธิปัญญานีละที่ไม่เสียเลี่ยงไปยนสมาธิทิปัญญาเห็นชอบเห็นอะไรที่ธมตรีมาสังคโป่ดำรีสอบดำรีสอบดำรีจังไรดำรีจะออกนี้จะกรรมจะทำอาการรู้ใส่หนิกวนสักคนละกายของเขานี่ยบดทั้งวันนี่แหละนี่ละกวนกรรม ดามดิกิตดัดจะออกนีจากกรรมจะจะออกนีจากร่างกายเย็นๆสัมมาสังกภาพมันคิดอะไรสัมมากัรมมันโตว่นี่การงานทำการงานให้มันให้ให้ให้มันสอดบ่ให้เปรทบุคคลอื่นสั์อื่นบ่ให้ทำบ่ทำให้ไปทำงานให้บุคคลอื่นสั์อื่นเขาเดือดร้อนบุนไหวที่นี่แล้วก ko <the> ็สัมมาอาชีวะมันเลี้ยงซีวิตให้มันชอบมัน เลี้ยงชีวิตมันสอบบอ่อเบียดเบียนตนและบุคคลคนดื่นมาเลี้ยงชีวิตเนี่ยเลี้ยงชีวิตมันสอบสาัมมาอีโวเยัมมาอีโวเลี้ยงชีวิตอบทีนี้ก็อาหารอาหารที่พระพุทธเจ้าห้ามเนื้อสัตว์นับตั้ง ต, นต้นไปเเนื้อมนุษย์เนื้อสร้างเนื้อม้าเนื้อหมาเนือเน้อลันีเนื้อมีดีเศษควงเศษเลี้ยงเศษดาวเนื้องูห้ามงด แล้วก็น้ำดองของเม้าโซลามันนี่พ้นทามก็งดมันจักริตถือคนทางมัน sí จังมันจังสิ่งเงว่ามันจะมันจึงจะเป็นสัมมาอาสีโบเลียงซีวิชอปว่าเบียดเบียดตนแล้วบุคคลคนอื่นมีสัมมาอาสีโบสัมมาวายาโมที่นี่เพียนสอบเพียนอย่างมันเพียนละบาปที่เกิดขึ้นแล้วให้มันหมดไปสิ้นไปจากจิตจากใจจากร่างกาย เพียนพยายามรักษาไม่ให้บาปเกิดขึ้นแล้วก็เพียนพยายามให้บุญกุศลเกิดขึ้นแล้วก็เพี้ยนพยายามรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วบ่ให้มีเสียมไปมดไปสิ้นไปนี่นี่นี่จิมบ่สัมมาวายโมเพียนสอบสัมมาสติบาลีระลึกขันมนสอบอย่าไปรลึก <kiem> ไปเบียดเบียดัดแลไปเบียดบคเดินสะดื่นลึกไปพยาบาทจองล่างจองันบกคนเด่นสะดือนลึกยดให้ลึกสิ่งที่มเป็นเป็นบุญเป็นกุศลลึกเป็นเป็นชาให้ไม่เป็นศีลเป็นธรรมนี่สัมมาสติสัมมาสมาธิบันจะตั้งใจตั้งใจไว้ว่าจะรักษาศีลให้ให้ให้ให้บริสุทธิ์บริบุญสิ่ระทับอีก ต้อไปข้างห น, น้าสังวรแล้วว่างรักษานี่ตั้งใจไว้นี่หมายคาอว่าส่วนมักมักส่วนเ่ยส่วนส่วนหยาบมัดส่วนละเอียดเข้าไปบันสมาธิไปจะตั้งมาปฏิบัติมาเอาอาร่วมกรรมฐานย่างไดอย่างหนึ่งมาปฏิบัติอันนี้ส่วนเขาเข้ไปภายในอันนี้ส่วนส่วนหยาบที่พวกมือเจ้าชิด้รักษาพวกคันระบาดยากโยมส่วนหยาบมันมันมีทั้งมันมีทั้งสองเลย มักนี่มนทางที่เขาจะเข้าไปดับทุกดับสายบัน่ดับบนบ ม, มันเกิดมันเกิดสบัน Jordan. มันเกิดที่จิตที่ใจนี่ที่กายนี่นี่ถูกมันเกิดขึ้นนี่ผมเพิ่งเห็นดับพวงที่นี่ยอ้อนสอนมาที่นี่มักทั้งแปดบันย้อนลงม า, ง ม, า ม, งมีอยู่สามบันมีหนึ่งสินหนึ่งสินหนึ่งสมาธิหนึ่งปัญญาหนึ่งมีสามนี่แหะที่นี่ถามว่าสินสินอยู่สบันนั่นสินก็คือ ความรักษากายว่าจจใจให้เรียบร้อยบ่ให้มึดดังบ่ให้ฝอยบ่ให้มีโทษบ่กตินี่เพิ่นให้ซื้อว่าสินความรอบรูปในกองสังขารเพิ่นใหซืว่าปัญญากองสังขารอยู่ใส่มันกองสังขารก้อนสักก้อนละกายมัดทั้งก้อนนี่นีนี่ น, น, นี่นี่แหละกองสังขารนี่กอ ง, งกองสังขารกองลูกมี่ธาตุทั้งทีดินน้ำไฟรม่มกองเวทนาความสุขความทุกยินร้อนอ่อนแข็ง กองสัญญาความจำได้ไหมลูกกองสังขารคามปูงความแจงความขิดคงนึกดีใจเสียใจลักสร้าโกรลงกองบิน ญ, ญ่านความรับทราบตาหูจมูกลิ้นกายใจหากองนี่พนวุวะขันขันไปว่าผูกไปว่ามัดไปว่าทวงไปว่าดึงดุนเนี่ยว่าพระราหาเวปัญจักขันท่าขันทั้งหาเป็นพระอันนักพระรา ถ้านั่งทุกขังโลก่เ่มันเป็นพระอนันนกเป็นทุกข์ในโลกผู้นี้มายึดปริทีบมาแบกมาหามที่นี่ทั้งๆที่มันแบกมันหามหนักๆอยู่มันก็หูโบได้เห็นโบได้หูที่หูโบได้เห็นโบได้มันคือยังเป็นให้ชื่อว่าตัวอภิชาตัญหามันพักดันมันบ่หูมันบ่เห็นมันบ่เห็ิกระชืปฏิบัติมันก็อ้างนวลอ้างนี้ล่วว่าจะเป็นโลกนั่นโลกนี่สุดท้ายก็ไอ พระพุทธเจ้าและพระอริเจ้าพุทธสร้างมรรคนให้เอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะที่พึงมันเกิบว่าเห้เอาอีกมันให้เอาอยัางเป็นสารณาบันมันก็เอามันเับว่าเอากินสารนั่งกัดสามีนอนสาร น, นั่งกัดสามาีเป็นนู่นมันเอาเรีเป็นใหญ่บรรจงนั่นนี่นี่หมดมันบริสุทธิอันเลืมันบริสุทมันพักมันดันไปหนึ่มันก็เลยมาเอาความสุขกับกินคับนอนนี่ตรงนี้นีละตัวหลอกมันบัน เพราันั้นนีอยากพ้นทุกข์เพื่นบอกเพื่นว่าอยากพ้นทุกข์บ้างอยากพ้นทุกข์ให้ว้างสุขในโลกหรือสุขในโลกบอกจักอยางได้พระพุทธเจ้าพระสอนที่เหมือนเดียสุขสุขในโลกมันเห็นางเหมืออยากพ้นทุกข์ให้วางสุขในโลกอยากพ้นโศกโสกาอะไรให้ให้ให้างสุขในหักสุขทุกข์นี่ของมีประจาโลก มนุษยเศร้าโศกกับพอุทุกข์ทั้งสองเน่เพราะฉะนั้นีะว่าจิตของจิตของบุคคลจิตของพวกเขานี่เรียบเพรวไม่เหมือนกันครับปิงปิงมันมีอยู่สองปากปากหนึ่งมันกินสุกปากหนึ่งมันกินทุกนี่จิตใจเขาก็คือกันมันกินทั้งสองอย่างกินทั้งสุกกินทั้งทุก้ามันเม่อ่มทั้งสองหอมีว่าวาง มบมมบพไปไปบอกพวกเเนาะพอกมานำมันไปเขาไปฟังกุศิลพวกงี่เมานมานำะมันนำมาฟังเทปไปนอนลีกกุใสกันนี่ขึ้นมาเลยบุ๋มบุ๋มพูดไปบอกดิบอกเขาไปบอกไงโอเอามาแล้วเอามาแล้วมาแล้วคุณนะ ท่วงอะไร่างกายเขาให้โอกาสมีาพากันปฏิบัติระหว่างของไปของมันปฏิบัติได้กับปที่พึ่งคู่เข้าแลวดีจ้ะและใช้ภากันแล่นน้ำลายแล่นน้ำลำน้ำําุ้ยน้ําสวยน้ํางานเดลี่ยนยมาแล้วมันก็บําบกเด้ยกตัวอย่างพระโพธเจ้าพนมีศาสตร์หนึ่งพนอุบัติเกิดขึ้นว่าในหลวงได้พนมได้เป็นเนจ้าพัททิราชเหมืนเด ครอบคล้องได้หมดทั้งโลกยั่งบมพ่อเกิดไปแย่งเอาสมบัติของพระอินทร์อีกพระอินยกให้อีกเมื่อพระพระอินยกให้เรียกมาคันวมอยู่เลืมาพี่จะหน้าเลยกมาเมืองเรียมันเกิดบสุขเพราะอยัางพระเนี่ยมกย้อนเขามาคนเขามาหาต้นต่อมันคือจิตขี้ใจมหาความสุขไร้หาตุนหาตัวมันที่นี่ไอความสุขอันแท้จริงแท้ๆเลยมันอยู่งเห ยู่ยู่ยูอย่อยู่ในใจข้างเขาี่อยู่ใสอยู่ในหัวใจอยู่ในจิตเบือกจิตดวงใจของพวกเขานี่ของสุกันเทจริยู่นี้ยู่บนไดนบางนี่ยู่บนระว่างเพราะฉะนั้นพระยังให้มาปฏิบัติทำจิตใจให้มันว่างทําจิตใจให้มันหยุดนิ่งทําจิตใจให้มันหายจากข่มผูกข่มแรงข่มคิดข่มนึกเนี่เมื่อจิตใจมันหยุดนิ่งแล้วทีนี้พระนี่ข้นขั้วขับพิจนาหาหัว้างมั่งกายนี่ ยึดแต่ได้จิตถมได้อยู่ในร่างกายมันมีอย่างแน่อยู่นี่มีคนคนพิจารณาสรุปแล้วมันก็มีอยู่สรุปแล้วก็มีอยของมีมีของสี่อย่างเท่านั้นมีอะไรบ้างของสี่อย่างมดีดินหนึ่งน้ำหนึ่งไฟหนึ่งรวมทีนี้จะถามว่าธาตุดินอยู่ที่ไหนธาตุดินก็มีผมขนเล็บฟันหนังเยื่อเอ็นกระดูกเยืยเกรดูตาปอดไส้หน่อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่านี่คือธาตุดินธาตุน้ำ มีน้ำดีน้ำทะเลน้ำหนองน้ำเลือดน้ำเงือน้ำข้นน้ำลายน้ำมูดน้ำขี้ข้อน้ำมูดนี่คือธาตุน้ำธาตุน้ำธาตุน้ำเป็นสมบัติของมันดาธาตุดินเป็นสมบัติของมิดานย่าธาตุไฟก็ให้ความอบอุ่นไฟยังกายให้อบอุ่นไฟยังกายสุดโทมไฟยักายกระวนกระวายไฟเผาอาหารย่อยนี่ธาตุไฟธาตุลมลมพัดขึ้นเบื้องบนตั้งแต่พื้นเท่าขึ้นมาถึงศีรษะลมพัดลงเบื้องล่างลมในท้อง ลมในไส้ลมไปตาตัวลมหายใจเข้าออกสรุปแล้วมีของสี่อย่างหมดทั้งโลกนี่ละนอกนั้นสมมติเรียกข้ามันหลงเสียเลยดอกรถ ล, ลีนสร้างมากว่าควายพุ่นอันเดียวกันมัดตัวเล็กๆก็มีดินน้ามไฟลมเท่านี้แหละสร้างตัวใหญ่ก็ดินน้ําไฟลมบุคคลสั้นชุงสั้นตำ่ำ ม, มีเท่ากันมีสมบัติเท่ากันที่นี่ผิดอ่าผิดต่างกัน ก็คือทางด้านจิตใจสูงต่ำขวากันโดยลำดับสัตว์ตัวเล็กๆพอมรู้เขาก็มีนิดหน่อย น, นี่เพราะฉะนั้นจึงว่าท่านจะให้มาอบรมมาสร้างสาติดวงรู้ตัวผู้รู้นี่ให้ไม่เด่นขึ้นให้ไม่เต็มเมื่อมาปฏิบัติมาทำตัวรูปดวงรู้นี่ให้ไม่เต็มแล้วจะอยากเป็นอะไรทีนี่จะอยากมีอะไรจะอยากได้อะไรไอ้ความสูงกันแท้จริงก็อยู่ตรงนี้นี่ เนี่ยของดีพิเศษคืออาจิตใจอันบริสุทธิ์ของใครของเราเท่าที่กำลังเนี่ยกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกากำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำมำกำกกำอำกำกำกำกำกำกำกำกำกกำกำมันกำกำกำกำกำกำกำกำกำกำนกำกำกำกำกำกำกำกำกำาำกมกำกกำกำกำกำกำกำกำกำกหกำ รู้มาได้เห็นไม่ไับกับกับเราผู้ประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นอ่ะบางคนเข้าใจผิดว่าพระพุทธเจ้าเข้าสู่พระโพนิทิพานไปแล้วหมดมรรคหมดผลแสดงว่าคนไม่รู้จกักมรรคมรรคคืออะไรประโยกแรกกับมรรคก็คือทานศีลภาวนานีุ่ททางจงรู้เรื่องศีลเนี่ยละเป็นมรรคเป็นพุทธทางก็ไปทีนี้กับผลเนี่ยอ่ะ ผลก็คือผลของเอาผลของศรรรรินผลก็สินคืออะไรนี่ยหนึ่งทำให้อ่าไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ทำให้มีความสุขกายสบายใจถ้ารักษาได้รักษาสินรักษารักษาสิลรักษาให้มันเป็นอะไรรักษาให้มันเป็นศินเมื่อมันเป็นศินมันก็จะทําเมื่อมันเป็นธรรมเลที่นี่ยึดใจเป็นธรรมน่ะมันจะเกิดเมตตาสางสารบุคคลดื่นสัตว์อื่นปรารถนาอยากให้บุคคลดื่นสัตว์อื่นมีความสุขกายสบายใจ แล้วก็คิดจะช่วยบุคคลอื่นสะอื่นที่เขาตกทุกข์ระยัดให้เขาพ้นจากทุกข์นี่ใครก็ตามถ้าคิดใจเป็นอย่างนี้มีมากมีน้อยอยู่รวมกันไม่มีปัญหาไม่ได้ยื้อแย่งแข่งดีกันไม่ได้อีสาตาร่อนกันเย็นมีมากมีน้อยเย็นเพราะฉะนัยย้นพระพุทธเจ้าจะมาสอนพวกเราเนึ่ให้รู้จักบิดามารดาเมื่อรู้จักบิดามารดาเมื่อเห็นบิดามารดาแล้วมันก็จะเห็นตนเมื่อเห็นตน เมื่อเมื่อใครก็ตามถ้าเห็นตัวละมันกจะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันอยู่ที่เดียวกันพุทธะพุทธะก็คือตัวผู้รู้แต่เดี๋ยวนี้มันมันยังไม่เป็นผู้รู้รู้อยู่มันรู้โล ก, โลกนั่นมันมันมันมันไม่รู้รู้รู้ธรรมนันมันรู้โล ก, โลกวิชาหรอวิชาโลกวิชาของรู้ปศึกษามาแล้ว แล้วก็มามาปฏิบัติมาผลนิบัติมารักษาร่างกายเพื่ออยู่รอดวันวันสุดท้ายมันก็จะแตกอย่างมากก็ร้อยปีแตกแล้วเมื่อมันแตกแล้วไปที่ไหนร่างกายนี่ถ้าไม่เผาดินมันก็จะละลายปะทุดินน้ํากับปะทุน้ำไฟกับปะทุไฟลมกับปสทุลมส่วนที่เหลือก็คือดวงจิต ด, ดวงใจ ด, ดวงจิต ด, ดวงใจนี่ตายไม่เป็นแตกมัเป็นดับไม่เป็นตรงนี้ละพระพุพทธเจ้ามาสอนให้พวกเรา ลื้อตอนขคตอนออกจากกองทุกออกจากก้อนสกุลละก า, รร า, กายอทำอะไรมันจะออกได้ก้องทําให้ไม่เห็นปฏิบัติทาให้เห็นคุณของร่างกายให้ไม่เห็นโทษของร่างกายนี่นี่โทษมันก็นมหันคุณมันก็อนันต์เนี่ยกวอนสกุลละกายเพราะฉะฉนั้นสรบแล้วกว้นสกุลละกรรายเนี่ยถ้าสมมติถามันถูกต้องตามธรรมจริงๆแล้ว เป็นสมบัติของบิดามารดาจะถามว่าของพวกเราอยู่ตรงไหนไม่มีเลยเพราะด้านต่างคนก็ต่างไส้สมบัติของบิดามารดาผู้ไส้เป็นเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนผู้ไส้ไม่เป็นเป็นบาปเป็นกรรมจนนําตนของตนอับ ไ, ไปเกิดในภูมิที่ต่าไม่มีศีลมีธรรมประจํากิจประจําใจแล้วก็ไม่เลยปฏิบัติอะไรเรื่อยท่านก็ไม่มีศีลก็ไม่มีพวกนี้แล้วก็ไม่เสื่อ การทำคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าบาปก็ไม่มีบุญก็ไม่มีนร ก, กไม่มีสวรรค์ก็ไม่มีพวกไม่นี่นะเมื่อแตกตายทำลายขันลงไปใครก็าตามกรรมชั่วลนะมันจะผลักดันจิตใจให้ไปเกิดในภูมิที่ต่ําภูมิที่ต่ําไปเกิดที่ไหนภูมิที่ต่ําไปเกิดในเมืองนรกไปเกิดปเป็นเปรตไปเกิดปอสุรกายไปเกิดเป็นสันดิลสา ร, สารไปเกิดเป็นพูดผีปีศาจแน่นอนที่นี้พวกเปรตพวกอสุรกายพวกนรกพวกเราผ่านมาหมดแล้วเพราะมันเกิดมาหลายครั้งชาติพวกที่เกิด เป็นหมื่นหมื่เป็นแสนแสนเป็นลๆๆๆๆๆๆ้านๆแล้วจิตใจแต่ละดวงเลยดวงเพราะว่าเกิดมาแต่ละข้างแล้วเขาก็มาเอาสมบัติอันเดิมเนี่ยพระอาจารย์จะว่าเมื่อตื่นจากหลับเดี๋ีนี้รีบกระทามันเป็นของใครของเราทําได้ก็เป็นสมบัติของเราแล้วก็เป็นที่พึ่งของเราแล้วก็เป็นที่พึ่งอันกเกษมสูงสุดสรุปแล้วดีที่สุดก็คือจิตใจอันบริสุทธิ์ทีนี้ก็ท้า ใบ ป, ปาแล้วเลยไม่เอาจะเสม็มมันกัดจะตรงกันข้ามมันกัดจะเลวที่สุดนะเพราะฉะนั้นจะว่าพระพุทธาจ้าทั้งจึงสอนไม่ให้ประมาทให้พระก็ปฏิบัติรักษาของใครของเราเอัละบันเอว่างพวกที่กับไปไปวัดก็มี <c oughs>